ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมะรับอรุณในทุก ว, วันพุธเป็นช่วงกลองใต้ร่มพฏิบทเรามาทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งก่อนทำฟังแล้วจึงค่อยไปฟังหัวข้อแม่บทธรรมะซึ่งในวันนี้จะนำเสนอวิธีการที่เราจะเลือก เฟ้นเลือกหาครูบาอาจารย์หรือกัลายาณมิตรในรูปแบบหนึ่งที่จะทำจิตใจของเราให้ประเสริฐดีขึ้นมาได้ในที่นี้เริ่มต้นโดยการทำจิตให้สงบโดยการมาสังเกตยอยู่ในกายของเราตั้งบุฟังกายของเราก็ น, นี้ที่ประกอบด้วยธาตุสีคือดิน น้ำไฟและลมมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเกิดขึ้นมาได้เพราะมานดาบิดาให้กำเนิดเลี้ยงดูมาเกิดขึ้นมาแล้วใหญ่โตขึ้นมาได้ก็เราะอาหารที่กินเข้าไปภายในมีกระดูกยกขึ้นเป็นโครง ชาบทาไว้ด้วยเนื้อและเลือดมีเส้นเอ็นมีอวัยวะภายในมีระบบน้ำเลือดน้าเหลืองหุ้มห่อเอาไว้ด้วยหนังอีกทีหนึ่งกายของเราก็นนี้มีลักษณะที่ให้เกิดความสุขก็ได้ให้เกิดความทุกข์ก็ได้เป็นสุขัเวทนาเป็นทุกขัเวทนา เวลามีอะไรที่ชอบใจมากระทบก็ให้เกิดความสุขเวลามีอะไรที่ไม่ชอบใจมากระทบก็ให้เกิดความรู้สึกที่เป็นทุกข์เป็นที่ตั้งแห่งความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงได้กายเรามีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดามีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาจากเด็กไปหนุ่มไปสาวไปแก่ เราตั้งจิตมาไว้ในกายที่มีลักษณะอย่างนี้นั่นคือการที่เรามีกายยักขตาสติมีสติตั้งไว้ในกายแล้วก็เอากายนี้แหละให้เกิดปัญญาด้วยเป็นสติเป็นปัญญาใช้กายให้เกิดสติแล้วใช้กายให้เกิดปัญญาด้วยเห็นกายโดยความเป็นของไม่เที่ยง ที่มีหนังหุ้มอยู่โดยรอบจับทาไว้ด้วยเนื้อและเลือดมีกระดูกขึ้นเป็นโครงมองจากข้างนอกเห็นเฉพาะหมขนเล็บฝันหนังมีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดเริญขึ้นมาด้วยข้าวสุกนมสดประกอบด้วยธาตุสีดินน้ำไฟลมมีความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรมรมดา ให้พิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงอา้าวละต่มฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาฟังหัวข้อที่พระพุทธเจ้าทราได้บัญญัติแต่งตั้งเปิดเผย จำแนกแจกแจงเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างเป็นเหมือนการจุดไฟให้เห็นไว้ในที่มืดบอกทางกับคนหลงทางหรือว่างายของที่มันคว่าอยู่เปิดของที่มันปิดอยู่ให้เราได้รู้ในหัวข้อแม่บทที่เรียกว่ามาติกาบัญยัติแต่งตั้งไว้ให้เกิดความเข้าใจ ยกตัวอย่างอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างซึ่งการศึกษาตรงนี้แต่ไม่เราเกิดปัญญาแน่นอนแต่กว่าปัญญามันจะเกิดขึ้นซึมลึกเข้าสู่จิตใจมันก็จะต้องผ่านหูก่อนใช่ไหมเข้าสู่สมองจากสมองจะเข้าสู่ใจในี่ระหว่างทางที่มันเดินไปจะให้เข้าถึงได้ มึงดีมันก็ผ่านกิเลสผ่านเครื่องเศร้าหมองเพราะจึงต้องมาระมัดระวังกันทัมบฟังที่ไม่ให้ปริยัตเหล่านี้เป็นงูพิษเพราะว่าการที่ไปจับงูได้ประโยชน์ด้วยนะแต่ว่าอันตรายก็มีสมัยก่อนเขาก็ใช้การจับงูนะั่นแหละเป็นอุปมาอุปไมยสมัยนี้ทัมบฟังอาจจะ ไม่เข้าใจว่าจะต้องไปจับงูทำไมถ้าจะเปรียบเทียบกับสมัยปัจจุบันก็ไฟฟ้านี่แหละก็จะเปิดไฟทำไมอ่ะโอ้มันสว่างเราจะใช้เครื่องซักผ้าทำไมอ่ะโอ้มันทุ่นแรงแต่ไฟฟ้านี่ดูดเราตายได้นะเออเปิดเปิดปิดปิดเครื่องมือไม่ได้มาตรฐานไม่ระมัดระวังจังหวะเปิดนิด ถูกช็อตตายเลยจังหวะปิดนี่ก็เป็นไปได้เรื่องสักผ้าคุณดูไม่ดีเดินเหยียบย่ำน้ำน้นนี่ถูกไฟดูดตายได้เหมือนกันนะอันตรายนะแต่ประโยชน์ก็มีชั่วลาเหมือนกันต้องฟังธรรมะเนี่ยมีประโยชน์มากแต่ก็ต้องระมัดระวังในการเข้าไปศึกษาไม่ให้ความรู้นั้นมาเป็นงูพิษจึง ในทุกบันพุทธช่วงของใต้ร่มโพธิบทีกบพระชาวก็จึงให้ตมฟังได้ฝึกทำสมาธิกันสัก5้านาทีส0บนาทีตามแต่เวลาที่เหมาะสมแล้วก็มาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะกันเป็นลำดับต่อมาแต่วันนี้นำเสนอเรื่องของกัลายาณมิตรบุคคลที่จะมีคุณสมบัติของความเป็นกัลายาณมิตร เป็นอย่างไรอันนี้จะพูดถึงกลัลยาณมิตรในระดับของครูบาอาจารย์กลัลยาณมิตรมีหลายแบบเรามาทบทวนกันสักนิดหนึ่งก่อนเป็นการกลิ่นเรื่องเริ่มต้นว่าอะไรต่างๆเป็นยังไงอั น, นแบบรกพูดถึงกลัลยาณมิตรที่เป็นซอฟต์แวร์เป็นองค์ความรู้นี่ท่านเคย ยกเรื่องของอริยมรรคมีองแปดให้เป็นกัลายาณมิตรนี่มีแน่นอนแต่พูดถึงอริยมรรคมีองแปดก็จะหมายถึงคำสอนทั้งหมดเลยประบาคำสอนทุกอย่างมันก็รวมลงในมรรคแปดนี้ใช่ั้ยล่ะถ้ายกเอามรรคแปดข้อเดียวก็แสดงว่าอะไรที่อยู่ใต้มันหมดทั้งนั้นนะ่ะก็เป็นกัลายาณมิตรได้เหมือนกันมิตร แปเป็นภาษาไทยก็แปลว่าเพื่อนมาจากรากศัพท์คำเดียวกับคำว่าเมตตาเมตตาก็คือปรารถนาดีต่อกันนั่นเองมิตรก็หมายถึงบุคคลที่จะปรารถนาดีต่อกันทีนี้คนเราเนี่ยบางทีก็มาในรูปของเออดูปรารถนาดีต่อกันดูเป็นเพื่อนดีแต่จริงเป็นเพื่อนไม่ดี ก็จึงต้องมีคํากํากับไว้สัหน่อยหนึ่งว่าเป็นเพื่อนแบบไหนอ่ะเป็นเพื่อนที่จะนําความไม่ดีความบาปมาให้ก็เรียกว่าปาปะมิตรนี่จะนําความไม่ดีมาให้หรือถ้าเป็นเพื่อนดีทําความดีนําสิ่งที่เป็นกุศลให้เกิดขึ้นได้ก็เรียกว่ากัลายาณมินะตรกัลยาณะแปลว่าดีงาม อะไรที่มันจะนำมาสู่ความดีงามทำกุศลและทำให้เกิดขึ้นได้ก็เรียกว่ากัล ย, ยาณมิตรเพราะฉะนั้นแน่นอนดูฟังว่ารีมรักมีองปาอย่างที่เราเรียนรู้มาในช่วงของใตร้ร่มโพธิบทนี้ก็ตามในช่วงเดื่นก็ตามจากตำราคำสอนคำพีหรือว่าซีดีหนังสือกันเทศบทคำสอนใดๆให้เกิดความดีได้ทั้งหมดนั่นแะ เรือว่าก็เลยในมิตรได้ในกิรระดับที่เป็นซอฟแวร์ระดับที่เป็นคำสอนแต่ไม่ ก, ก็จะเป็นเพื่อนกันเป็นคารวาดเป็นผู้ที่ยังครองเรือนเป็นคนที่ยังยินดีในการบริโภคกรรมไม่ว่าจะอายุมากกว่าก็ตามหรืออายุน้อยกว่าหรืออายุเท่ากาันเป็นบุคคล จะเป็นชายหรือเป็นหญิงได้หมดเลย น, นี่คือท่านกาให้เกณฑ์คราะหเอาไว้ว่ามีศรัทธามีศีลมีจาคะะมีปัญญาสีอย่างนี้ก็ได้เธอจะให้ดีกับเพิ่มเรื่องสุตตะเข้าไปด้วยศรัทธาศีลสุตตะจาระปัญญาอย่างน้อยๆก็ต้องมีสีอย่างนะอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติของครวา ที่จะเป็นกลัลยาณมิตรเป็นเพื่อนดีได้ในตอนท้ายของรายการคุณพระเาจะมาเพิ่มเติมจุดนี้ว่านอกจากนัยยะที่กล่าวถึงคุณธรรมสีอย่างนี้ยังมีเรื่องของเพื่อนดีเพื่อนชั่วมิตรแท้มิตรเทียมอีกตอนท้ายของรายการจะค่อยมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งแต่ประเด็นที่ต้องการจะมาเจาะในวันนี้ขยายความให้ละเอียดคือกลัลยาณมิตรแบบที่สาม นิกขึ้นไปแบบที่สามเป็นพี่ 4, เนี่ยก็จะเป็นลักษณะเดียวกันก็คือเป็นนักบวชแบบที่สีก็กะดษก็คือเป็นพระพุทธเจ้าเอาพระพุทธเจ้าเป็นกลัลยาณมิตรเอออันนี้ได้แน่นอนแบบที่สามก็คือเอาพระสงฆ์ครูบาอาจารย์เป็นกลัลยาณมิตรได้ซึ่งจะเอาพระสงฆ์รูปไหนละ่ะเอาครูบาอาจารย์แบบใดละ่ะ ที่จะมีคุณสมบัติในความเป็นกัลเยนมิตรควรครบหาควรเข้าใกล้ถึงแม้ว่าจะถูกไล่หนีก็ตามนะเพราะว่าความดีที่เกิดขึ้นนั้นมันจะมีมากกว่าคุ้มค่ากว่ากันต้องมีคุณสมบัติเจ็ดประการนี้ซึ่งอันนี้พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้คือท่าน กล่าวอย่างไรท่านก็ทําอย่างนั้นท่านทําอย่างไรท่านก็กล่าวอย่างนั้นจึงได้ชื่อว่าตถาคตไงซึ่งบ่ท่านพูดถึงคุณธรรมเจ็ประการที่จะว่าต่อไปนี้คือท่านก็มีคุณธรรมนี้นั่นแหละท่านจึงกล่าวได้เพราะฉะนั้นก็ลยอนมิตรประเภทที่สที่เป็นตัวพระพุทธเจ้าเนี่ยวันนี้แน่นอนละ่ะเจาะมาในประเภทที่สมคุณธรรมเจ็ดอย่างนั้นคืออะไร ขมูนี้มาในอังคุตระนิกายหมวดเจ็ดตัมบฟังเป็นหมวดที่มีธรรมะเจ็ดคอด้วยกันคราพระเจ้าอยากจะอ่านตรงนี้ตัมบูฟังได้ซึมลึกเข้าไปกันให้มันซึ้งอินเข้าไปสู่ิตใจของเรากันว่านี้คือแม่บทมาเป็นงนี้นะท่ทานตรัสรู้ดังนี้บอกว่าภิกษุทระไหลพิษุผู่ประกอบด้วยธรรมเจ็ดประการต่อไปนี้ เป็นบุคคลที่ควรเสพควรครบเป็นมิตรควรเข้าไปนั่งใกล้แม้ถูกขับไล่ธรรมะเจตประการคือ 1. เป็นผู้มีความน่ารักใกล่พอใจคือปิโย 2. เป็นที่เคารพคือคุรุ 3. เป็นผู้ควรสรรเสริญคือภาวนิโยส เป็นผู้ฉลาดพูดวัตตาหาเป็นผู้อดทนต่อถ้อยคำคือวัจนะโมหพูดถ้อยคำให้ลึกซึ้งได้คือคำพีรันจักกระถังกระตาและเจ็ดไม่ชักนำไปในทางที่ไม่ดีโนจัดถาเนนิโยชเย ภิกษุทลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมเจ็ดประการเหล่านี้แลควรเสพควรคบเป็นมิตรควรเข้าไปนั่งใกล้แม้ถูกกับไหลและได้มีคาถาผนวกท้ายประสูตรดังนี้ว่าภิกษุเป็นที่รักใกล่พอใจเป็นที่เคารบควรสรรเสริญฉลาดพูดอดทนต่อถ้อยคำ พูดถ้อยคำลึกซึง้งไม่ชักนำในทางที่ไม่ดีฐานะเหล่านี้มีอยู่ในภิกษุใดภิกษุนั้นเป็นมิตรแต่มุ่งอนุเคราะห์แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ผู้ประสงค์จะคบมิตรควรคบมิตรเช่นนั้นแม้จะถูกขับไล่นี่คือข้อความที่มาในอังกุตรนิกายที่กุฎบอาจารย์ในรุ่นคนก่อน ท่านได้จำมาจากพระพุทธเจ้าแล้วก็บันทึกลงอักษรเก็บข้อมูลไว้อยู่ในอังกุตระนิกายพระไตรปิฎกในข้อนี้เราตั้งขึ้นเป็นแม่บทเราตั้งขึ้นเป็นมาติกาแล้วมาทำการศึกษาเจาะลงไปที่ละข้อละข้อต้องบฟังซึ่งลักษณะที่ท่านอธิบายไว้สั้นๆตรงนี้ ก็จะมีส่วนที่เป็นคาถาผนวกท้ายประสูตรซึ่งลักษณะนี้ทุกฟั่งเป็นลักษณะที่มีนิยมทำกันตั้งแต่ในยุคของชั้นอัตถคถาซึ่งหมายถึงหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพานไปสักประมาณพันกว่าปีเนี่ย น, นะนะได้มีการแบบว่าเอาคำสอนที่ท่านตรัสไว้สักประมาณหนึ่งหน้ากระดาษเนี่ย มาเขียนสรุปให้เป็นถ้อยคำที่มีความสละสลวยซึ่งสมัยนี้ก็ยังมีการทำกันอยู่นาะนวังเป็นความรู้ระดับนักเรียนที่สอบรเรียนรรแปดประโยค ท, ที่เขาจะต้องเขียนคาถาซึ่งเป็นลักษณะคำฉันคือเป็นคำร้อยกรอง ที่มีอักษรสนะสรย้ยมีรูปแบบแพทเทิร์นคำกล้ำคำคล้องคำเหมือนกรอน8ประเทศไทยเรานี่แหละภาษาไทยเราแล้วคุณจะแต่งกรอน8จากข่าวหนังสือพิมพ์ได้ไหมเออวันนี้คุณดูหนังสือพิมพ์หรือว่าดูรายการทีวีรายการใดรายการหนึ่งเสร็จแล้วก็เขียนสรุปมาเป็นกรอนอย่างเงี้ยนี่คือแบบนี้แหละนะนหวังนะอันนี้นอกเรื่องนิดหนึงว่า อยากจะชี้ใเห็นว่าเออในคาถาพนวกที่สรุป บ, บทนั้นเอาไว้เนี่ย mm. ก็พูดถึงมิตรแล้วก็ให้คบหาซึ่งเรื่องต้นที่พระพุทธเจายกไว้ mm. ก็ใช้คาว่ามิตรตามมันกันคือเป็นมิตรนั่น เ, นเองอ้าวเพราะฉะนั้นนี่คือคุณสมบัติของกัลายาณมิตรเลยมิตรที่นำความดีมาให้แน่นอนเลยแบบนี้เรียก ขยายความเราทั้งเจ็ดข้อเนี่ยจับยัดลงในคำว่ากลานะัลยาณะแล้วก็เรียกสั้นๆว่ากัลายาณมิตรได้ทีนี้ท่านก็ยกเอาภิกษุใช่ไหมล่ะก็คือถ้าสำหรับกระว่าเนี่ยก็เป็นครูบาอาจารย์ของเร า, าเราจะดูว่าใครจะเป็นครูบาอาจารย์ของเราได้ต้องมีคุณสมบัติจัดอย่างนี้ทั้งหมงแล้วท่านก็ให นี่คือมาจากในประสูติอ น, นะในประสูตรที่อื่นเนี่ยบอกว่าให้ตั้งหิริโอตปะคือความกลัวความละอายต่อบาศไว้กับบุคคลนี้แล้วก็ไปหาก็ไปนั่งใกล้ในการที่จะศึกษาจากท่านตั้งหิริโอตปาเนี่เป็นยังไงเดี๋ยวจะค่อยมาบากันนิยมเป็นหัวข้อไปก่อนหนึ่งถ้าเราเจะคุณสมบัติของบุคคลที่ มีเจ็ดอย่างนี้ควรตั้งหิริโอตปาแล้วทำกะะัลยาณธรรมให้เกิดขึ้นเอาละ่ะเจ็ดอย่างนั้นมีอะไรตบถวนกันอีกครั้งหนึ่งตัววังคือปีโยปีโยเป็นสับาลีนะเอวสตัยแล้วกันนะเพราะว่าเป็นผู้ที่เออดูแลมีความน่ารักเราแบบมีความรักใคร่เรามีความพอใจนี่ก็ที่หนึ่ง 2. ดูแลเป็นที่น่าเคารพเป็นที่น่านับถือคือกูรุ 3. ข้อที่เป็นผู้ที่ควรสันเสริญคือประกาศต่อไปให้คนอื่นรู้คือปาปนิโย 4. เป็นผู้ฉลาดพูดคือสอนได้บอกคำอะไรนี่มันแม่ลึกซึง้งนี่คือใช้คาว่าวัตตาหา เป็นผู้อดทนต่อถ้อยคำํำคือจะมีคําอะไรที่มันดีไม่ดีแต่ก็อดทนได้นั่นคือว่าจะนักขโมยโอเป็นผู้มีถ้อยคําลึกซึ้งลึกซึ้งนี่คือหมายถึงว่าในคําพูดที่กล่าวมาในมีหลักฐานที่อ้างอิงรายละเอียดต่างๆนั่นนี่สนใจคำว่าคำภีระที่หมายถึงความละเอียดลึกซึ้งแล้วก็ที่เจ็ตทบทวนอีกครั้งหนึ่ง คือไม่ชักนําไปในทางไม่ดีในครั้งเจ็ดข้อนี้แต่ละข้อเรามาเจาะลงไปกันตั้ฟังในข้อแรกปี่โยคือเป็นที่น่ารักใไรพอใจคือดูแล้วน่ารักไม่ใช่น่ารักแบบชายหนุ่มหญิงสาวนะแบบรักกันชายหนุ่มดูหญิงสาวหรือหญิงสาวดูชายหนุ่มแล้วเออคนนี้น่ารักดีนั่นคือเจือด้วยกาม เชือด้วยรูปเจือด้วยตาเจือด้วยหูถ้ามีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วแบบรักใกล้พอใจเนี่ยมีเงื่อนไขอันนี้คือประกอบด้วยกามแต่ปิโยเนี่เป็นลักษณะที่เป็นเมตตาอย่านผ้ังเหมือนลูกแบบอยู่กับแม่แล้วเนี่ยนะก็รักแม่แล้วทำไม คุณมีความพอใจรักใคร่ต่อแม่ลูกเพราะแม่มีเมตตาไงแม่มีเมตตามีกรุณามุริตาอุเบกขาให้กับลูกลูกก็จึงมองแม่ด้วยความรักใคร่ใช้คำนี้ได้เลยว่าปิโยนั้นปิโยแต่พูดให้ถูกหลักภาษาคือปิยะนั่นเองมีความรักใคร่พอใจซึ่งก็จะคู่กันกันกบโรมิหารสี นั่นคือจะเดูออกมาอันนี้นะลูกต่อแม่มีปียะแม่ต่อลูกมีพรมิหารไงหลักๆ ก, ก็เอาเมตานี่แหละได้ก็หมายความว่าบุคคลนั้นก็จะต้องมีการแผ่เมตตาเจริญเมตตาทั้งทางกายทางวาจาทางใจทั้งต่อหน้าและรับหลังอยู่เป็นประจำให้กับสบรรพสัตว์ทั้งหลาย ไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณไม่เว้นใครใครไว้เลยนี่ทำอยู่เป็นประจำจึงทำให้กระแสแห่งความรักความเมตตาเป็นต้นเนี้มันแผ่ไปแผ่ไปเรารับรู้ได้รับรู้ได้ก็จึงมีความรู้สึกว่าปิยะคือรู้สึกรักใครพอใจต่อท่านยังสำหรับข้าพเจ้านี่นะ ก็มีหลวงพอ่อเตอ๋อสะอาดเป็นครูบาอาจารย์พออยู่ใกล้ท่านเรามีความรู้สึกรักใกล้พอใจคือก็หมายความว่าท่านนเจริญเมตตาอยู่เป็นประจำคืออยู่ด้วยแล้วรู้สึกสบายใจนะทีนี้พอมาอยู่ด้วยกันแล้วก็จึงรู้ไงตั้มฟังว่าโอ้โหลวงพ่อของเรานี่ท่านแผ่เมตตาทุกวันเลยนะตอนเช้าตอนเย็นก่อนนอน เราก็ไม่ใช่ว่าเฉพาะตอนเช้าเย็นนะเออต่อหน้ารับหลังในที่รับที่แจ้งทั้งทางกายทางวาจาทางใจคือมันมันต่อเนื่องกันหมดเนี่ยคือมันไปด้วยกันได้คือไม่ใช่ว่าเออฉันมีเมตตาแต่ว่าเว้นมุทิตาไว้แล้วก็ทําเฉพาะต่อหน้านะด้วยวาจาเท่านั้นแต่รับหลังทางใจ หรือทางวาจาไม่ดีเมตตาแบบนินทาว่าร้ายมีต่างๆนั่นนี่อันนี้คือมีการหมกเม็ดมีความเน่าในเปียกแฉะหมักหมมหมกเม็ดไว้ถึงแม้ที่ปิดซ่อนไว้เนี่ยมันก็จะโผล่มาได้ไม่ต้องถึงว่าเห็นหรอกอเอแค่ว่าความรู้สึกเนี่ยเราก็จะรู้สึกได้ล่ะออว่าท่า น, นี้ ได้มีการเฉริญเมตตาบริมิหารไหมต่อหน้ารับหลังไม้เป็นอย่างไรในความรู้สึกที่มีต่อเราตรงนี้มันคือความรักใคร่พอใจคือปิยะที่เกิดจากการกระทาของภิกษุรูปนั้นบุคคล น, นั้นนี่คือคุณณสุภะข้อที่หนึ่งก็ต้อตงการเปรียบเทียบส่วนต่างด้วยนะทุกอางนะคือความรักใคร่พอใจมันก็จะเป็นลักษณะที่เรากลัว กลัวแบบกลัวแบบกลัวปีอ่ะไม่ใช่กลัวแบบกลัวต่อบาปไงคืออีกครั้งนะว่าถ้าคนที่มีคุณสมบัติเจ็อย่างเนี้เราควรตั้งหิบริโอตาปะเอาไว้ใช่ไหมหิบริโอตาปะเนี่ยคือความละอายความกลัวต่อบาปนะว่าถ้าท่านแบบตำหนิติเตียนเราเนี่ยโอ้เราจะละอายเราจะกลัวต่อการตีเตียนของท่านเราจะรีบแก้ไขต้องเป็นยางไงใช่ไหมล่ะ แต่ถ้าตรงข้ามกับปิยะอยู่รักใคร่ป่อใจเนี่ยคือกลัวแบบกลัวผีอ่ะกลัวแบบต้องวิ่งหนีอ่ะกลัวแบบไม่อยากจะเข้าใกล้อ่ะกลัวแบบขยะขยะงอ่ะกลัวแบบเสียใจเสียเอียนน่ะคือนั่นตรงข้ามกับปิยะเลยแล้วตัวเราลองดูนะถ้าตัวเรามีคุณสมบัติเจ็อย่างต่อไปนี้เนี่ยนะโอ้เราจะดีต่อคนรอบข้างเราได้แน่นอนเลย จำฟลองฟังต่อไปดูคือข้อที่หนึ่งประโยชน์หรือปียะคือความที่เป็นผู้น่ารักใกล้พอใจรู้สึกดีต่อบคุคคลนี้ข้อที่2เป็นที่เคารพมาจากขม่าคู่รู้ซึ่งคูรู ก, ก็คือหนักแน่นนั่นเองเป็นคนหนักแน่นมีคุณสมบัติของความเป็นครูพอคนที่มีความหนักแน่นนี่ เป็นครูได้หมายถึงมีหลักเกณฑ์มีหลักการซึ่งในที่นี้หลักเกณฑ์หลักการนั้นก็คือเรื่องของธรรมา น, นั่นเองเรื่องของศีลสมาธิปัญญาคือคนที่รักใคร่ชอบพอกันเนี่ยมันจะเป็นยางไง้องวางว่าก็จะมีความโน้มเอียงไปในการให้เกิดสุขต่อบุคคลนั้นอยู่เสมอเช่นแม่กับลูกเนียแม่ทำไมจะไม่มีเมตตากับลูกจะบลา อุ้ยมีแน่นอนแล้วฉันคลอดออกมาเนี่ยอะไรก็ปรนเปรอให้ได้หมดอะไรก็ตามใจหมดตัวนี้เนี่ยแหละมันจึงต้อ ง, งระวังว่าถ้าตามใจหมดปรนเปรอหมดอ่าจะกลายเป็นพ่อแม่รังแกฉันได้นะเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่เข้าใจคํานี้พ่อแม่รังแกฉันเนี่มันคืออะไรมันมีนิทานมาฟังพูดถึงความที่ว่าพ่อแม่เนี่ยปรนเปรอรุกมากจนเกินไปไม่เคยตีไม่เคยด่าเลยเลย ลูกทำผิดก็ไม่ว่าทำอะไรไม่ได้ก็ไม่เกี่ยวเข้นเพราะไม่อยากให้ลูกลาบากไม่อยากให้ลูกแบบมีทุกขเวทนาไอ้อันนี้คือผิดหลักแหละเพราะว่าไม่มีหลักเกณฑ์หลักกา ร, รอะไรที่มันจะหนักแน่นเอาสิ่งดีควรต้องให้ทำดิต่ให้มันมันจะยากต่ให้เขาจะทำไม่ได้ต่ว่าเขาจะมีปัญหาเราต้องแบบให้เขาหนักแน่นในข้อนี้คุรูนี่คือตรงนี้เลย ซึ่งในที่นี้ถ้าจะพูดตามหลักเรื่องของครูอาจารย์ในที่ทั้งหกนะก็คือการห้ามเสียจากบาปการให้ตั้งอยู่ในความดีซึ่งจิตใจของมนุษย์เนี่ยมันมีกิเลสใช่ไมมันก็จะแบบพลิกผันขี่เกียรบางทีทำอะไรไม่ถูกตามความพอใจนั่นนี่แล้วเกิดมันเป็นอกุศลธรรมคุณต้องหยุดเขาห้ามเขาเสียจากบาปอะไรที่ให้เป็นความดีให้ทำอยู่ตรงนั้น ให้ตั้งอยู่ในความดีห้ามเสียจากบาปแล้วก็ให้ศึกษาในศิลปะทั้งหลายอีกข้อหนึ่งในที่นี้ที่จะมาตรงกันกันกบคุรุคือความคุ้มครองให้ในที่ตั้งปวงหมายความว่าคนที่จะเป็นครูเป็นอาจารย์เนี่ยนะแต่ว่าเด็กหรือลูกศิษย์เนี่ยเขาไม่สามารถจะตั้งอยู่ในความดีได้หรือจะไม่สามารถห้ามจากบาปได้ ให้มันมีปัญหาเรื่องอะไรเป็นปัญหาเรื่องจากกลอบกลัวจากเรื่องการเงินจากเรื่องสิ่งวัตรล้อมหรืออย่างไรอย่างไรเราก็ทำการคุ้มครองให้ในเรื่องนั้นคือมี stand stand strong ตามภาษาอังกฤษเขาพูดแล้คือมีหลักการนั่นเองคือมีความหนักแน่นนั่นเองคนที่มีคุณสมบัติแบบนี้เรียกว่าเป็นที่เคารพเพราะว่าสู้เพื่อเราไง เหมือนหัวหน้าสู้เพื่อลูกน้องเถอาลูกน้องทำผิดแต้เราไมา่ได้ปกป้องนะก็ต้องแก้ไขเขาตามผิดใช่ไหมแต่ถ้าลูกน้องหรือลูกศิษย์เขาทำถูกหรือถูกเบียดเบียนเนี่ยหัวหน้าก็มาปกป้องให้คุ้มครองให้ห้ามไม่ให้ความดีมันเสียไปห้ามไม่ให้บาปมันเกิดขึ้นคุ้มครองให้รักษาให้เออนีนายกย่องช่วยเหลือกัน เป็นที่น่าเคารพคืออยู่ด้วยแล้วรู้สึกปลอดภัยนะรู้สึกแบาบอบอุ่นใจนี่คือคุณสมบัติในข้อที่สองคุรุถัดมาในข้อที่3เป็นผู้ควรสรรเสริญใช่ไหมมาภาวนิโยซึ่งภาวนิโยนี่ก็มาจากคํามาภาวนาคือการพัฒนาซึ่งเป็นสับคำเดียวกันกับ ที่พระพุทธเจ้าใช้ในเรื่องขององค์ประกอบ8อย่างอันเปรนเสดเลยลในอริยสัจ4ี่องค์ประกอบข้อที่4คือเรื่องของมรรคนั้นให้ภาวิตาภาวิตาก็มีรักษาคาเดียวกันหมายถึงการพัฒนาในข้อนี้ยังรวมถึงการที่ท่านรู้จักที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพราะว่าคำาภาวนาไงคือการพัฒนาอยแล้ว มีการอบรมพัฒนาปรับปรุงตนเองอยู่เสมอควรเอาเป็นแบบอย่างหนึ่งอีกประการหนึ่งการที่ให้เจริญก้าวหน้าจากที่ไม่มีต้องทำให้มีจากที่ไม่ดีต้องทำให้ดีพัฒนาขึ้นใช่ไหมตันี้มาในคำว่าภาวนิโยนี่ที่ท่านแปลว่าเป็นผู้คนสรรเสริญเนี่ยในย่านนี้ก็หมายความว่ า, วาทำความดีเนี่ยให้มันมากขึ้น คือตัวเราเนี่ยยังไงเราก็พัฒนาตัวเราคือภาวนาในตัวเราอยู่ละแต่ลักษณะคำว่าควรสันเอยนีย่คือควร น, นำความดีของท่านที่มีเนี่ยแหมดีจริงๆเลยนะเป็นที่น่ารักเป็นที่เคารพมีคุณสมบัติความเป็นครูบาอาจารย์ได้เนี่ยนำความดีข้อนี้ไปเผยแผ่ต่อไปประกาศให้คนอื่นทราบต่อไปทำความดีให้มันกว้างขวางขึ้น อาทำไมควรทำงั้นโว้ยกถ้าเราจะห้ามจากบาปได้ตั้งอยู่ในความดีได้มีการพัฒนาได้ถ้าคนหนึ่นได้พัฒนาแบบนี้ด้วยมีครูบาอาจารย์แบบนี้ด้วยความดีมันยิ่งกว้างขวางขึ้นออกไปไงเล็งเห็นผลประโยชน์ตรงนี้ท่านจะใจคำว่าภาวนิโยมีการพัฒนาต่อไปคือไม่ใช่ว่าจุดประสงค์ให้ครูบาอาจารย์ของฉันเนี่ยมีชื่อเสียง มีสัญ ก, การรามีคำยกย่องเยืนยอมากขึ้นหนึ่งลักษณะการทํ า, าการตลาดที่บอกว่าให้ยอดขายเพิ่มขึ้นในเวลาไม่ถูกมันมองคนละมุมนั่นมองคือเพื่อประโยชน์ต่อตนเองไม่ใช่แต่คําสอนของพระพุทธชจ้าลักษณะการภาว น, นาคือการพัฒนาเนี่ยคือประโยชน์คนอื่นด้วยคนอื่นที่นด้ได้รับสิ่งนี้หนึ่งคือธรรมะคําสัอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ผ่านครูบาอาจารย์คนนี้โอ้จะมีประโยชน์ต่อบุคคลนั้นมากจะมีประโยชน์ต่อตัวเราด้วยเราก็มีกัลายาณมิตรเพิ่มเติมมากขึ้นคือกัลายาณมิตรในนิยะที่สองอย่ที่พูดไปเมื่อตอนต้นรายการเป็นกรวาธเป็นผู้ครองเรือนจากไม่มีศีลมีศีลมีจาค้ามีศรัทธามีปัญญาแถมสุดตาให้ด้วยเออดีมีกัลายาณมิตรเพิ่มขึ้นเพิ่มประชากรบนสวรรค์เพิ่มประชากรคนดี ลดประชากรคนไม่ดีแม่ตอนนี้ก็จะบอกว่าโอ้มีปัญหาเรื่องประชากรลดลงให้มันลดลงเถอไอ้คนไม่ดีเนี่ยเอ้ยคนทำไมไม่เพิ่มขึ้นเลยได้สิแต่คนดีๆมันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันได้ปัจจุบันที่มีอยู่เนี่ยแม่ถ้าคนไม่ดีมันลดลงได้มันก็จะดีละอันนี้นอกเรื่องแล้วนะนะนะกลับมาในหัวข้อแม่บทเรอตรงหวังคือภาวนิโยเป็นผู้ควสรสันเสริญ เฉยๆในความดีของท่านนั่นเองสเฉยๆในความดีที่จะเกิดขึ้นในบุคคลอื่นนั่นเองซึ่งความดีนะไม่ใช่ตัวบุคคลนะอันนี้คือก็ต้องพูดตรงนี้ไว้ก่อนตระบังว่าในลักษณะที่เราพูดมาทั้งหมดเนี้ยเป็นคุ ณ, ณธรรมนะตระบังไม่ใช่ตัวบุคคลตัวบุคคลต่างกับคุ ณ, ณธรรมยังไงเอาบางทีคุ ณ, ณธรรมนี้ในตัวบุคคลนี้อาจจะเพิ่มขึ้นอาจจะลดลงเป็นไปได้ ซึ่งถ้าลดลงไม่มีคุณสมบัติอย่างนี้ เ, เราก็มีครูบาอาจารย์กูเนื่องก็ได้ในซึ่งแต่ละคนมันก็จะไม่เหมือนกันเดี๋ยวจะค่อยมาว่ากันตอนท้ายรายการอีกครั้งหนึ่งเอาทั้ง7ข้อ ใ, ให้จบกันตัวบังในข้อที่สี่ใช้คาว่าวัตตาแทนแปลว่าเป็นผู้ฉลาดพู่ในการแปลอีกฉบับหนึ่งใช้ควมาเป็นนักพูด ในข้อ น, นี้ก็หมายความารู้จังหวะรู้เวลาที่จะพูดได้สามารถสอนได้คือการสอนกับการทําเองเนี่ยนะมันแตกต่างกันนะท่านผู้ฟังสำหรับสาวกหมายถึงผู้ฟังคําสอนเนี่ยความดีของผู้ฟังคําสอนที่ต้องยกย่องนั้นก็คือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถูกไหมสามารถทําได้ปฏิบัติเองได้ เข้าใจดีแล้วทำได้แต่ว่าจะมาสอนคนอื่นต่อไปได้ไหมนี่ต่างหากการฉลาดพูดหรือการเป็นนักพูดนี่คือสามารถสอนที่ตัวเองทำอะได้ไหมหรือสอนที่พระบรุรเจ้าสอนมาบอกมาเนี่ยได้ไหมถูกเวลาไหมกับเราอยากจะยกตัวอย่างพระบรุรเจ้าเคสหนึ่งตอนที่พระองคุลีมาน ยังเป็นโจรอยู่นะจะมาตามฆ่าพระพุทธชานี่บอกว่าสมณะนี้มาคนเดียวสู่ป่าแห่งนี้สงสัยจะมาแหมดันนี่นนทเราจะฆ่าสมณ ะ, ะรูปนี้เสียวิ่งไปวิ่งไปีไป่ยโอย้วิ่งเท่าไหร่ก็ไม่ถึงสตีจนกระทั่งว่าจนเหนื่อยอะ่ะแม้แต่ว่าเมื่อก่อนนี้ช้างวิ่งม้าวิ่งคนวิ่งอันนี้ยังตามดันหมดนะ จนว่าเหนื่อยมากแล้วตาไม่ทันเลยบอกให้พระพุทธเจ้าหยุดก่อนนี่คือท่านใช้เรียว่าอิทธาภิสังขารคกอืาอนแสดงฤทธิ์จนเหนื่อยแล้วผมกุลีมาบอกหยุดก่อนยุดก่อนท่านด้วยคำพูดนิดเดียวตรงนี้ของพระพุทธเจ้าบอกว่าเราหยุดแล้วท่านเลยสิยังไม่หยุดกึ่นเลยตรงนี้นี่นีนฟังคือความที่พระพุทธเจ้า ฉลาดพูดฉลาดเอาสถานการณ์ที่อยู่ในปัจจุบันนั้นคนหนึ่งหยุดแล้วคนหนึ่งยังไม่หยุดกำลังวิ่งเหนื่อยเนื่อยอยู่เอาตรงนั้นแหละมาสอนได้เลยเราเดินอยู่นะแต่จริงเราอยุดแล้วท่านยอยู่อนั่นนะ่ะจริงๆท่านยังไม่หยุดเอ๋ย อ, อะไรนะเนี่ยเป็นลักษณะที่พูดแล้วสอนแล้วเขาสามารถที่จะให้เกิดผลตอนนั้น ได้เลยอ่ะคนเราเนี่ยบางทีมันเพลินในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่นะใช่ไโ ก, กรธอย่างงี้นะที่บอก โ, โกรธคนนี้มากๆเลยเนี่ยคือใครจะมาเตือนอะไรนีมันไม่ฟังเลยนะคือโกรธมากโกรธมากนี่คือเพลินไปในอารมณ์นั้นอย่างมากเลยใช่มละ่ะเออแต่ว่าถ้ามีบุคคลในบุคคลหนึ่งที่เขาเป็นคนฉลาดพูดจะสามารถพูดสะกิดใจเขานิดเดียวน่นนะ เขาหยุดความโกรธได้ทันทีแล้วนะคือสามารถมาตัดไอ้กระแสแห่งความโกรธกระแสแห่งความเบื่อนั่นเนะ่ได้เลยด้วยอะไรอนะ่ะกดด้วยคำพูดนี่แหละที่ประกอบด้วยคำที่ว่าคนนั้นเขาจะฟังตัวเราจะฟังให้เปลี่ยนสเตตเปลี่ยนอารมณ์ของบุคคล น, นั้นได้นี่ตัณใจกว่าวัดตา คือตนเราจะเปรีบเทียบกับเช่นท่านอัญญากุณธัญญะอย่างเงี้ยนะท่านพระอัญญากุณัญญะหลังจากที่บรรลุธรรมแล้วท่านก็ไม่ได้สอนใครเลยนะตัวฝังก็ไปอยู่ป่าคนเดียวนุ่งห่มผ้าปอนๆมีสามเณรอุปถาคอยู่รูปเดียวตอนนั้นไม่ได้บอกไม่ได้สอนใครตั้งนั้นนี่ว่าเป็นสาวกองคแรกที่ได้บรรลุธรรม แต่หน้าที่การสอนการบอกนั้นให้เป็นหน้าที่ของท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมกขละนะอันนก็แสดงวาสองท่านเนี้มีคุณสมบัติของความเป็นผู้ฉลาดพูดได้สามารถสอนได้บอกได้ยิ่งท่านพระสารีบุตรนี่โอ้จัดแจงอย่างเต็มที่เลยในการให้ข้อมูลในการสอนแต่ทั้งนี้ทั้นั้นบางนัยยะมันก็เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้า เช่นมีเด็กหนุ่มที่เป็นลูกของร้านทองมาบวชแล้วก็ทํางานเกี่ยวกับทางด้านทองคํานี่อย่างมากเห็นแต่ความสวยงา ม, มอะไรต่างๆเออโดยปกติแล้วอุบายที่มันจะใช้กันได้ก็คือให้เห็นถึงความเป็นของปฏิกูลของร่างกายถึงจะเหมาะสมออแต่สำหรับเคสนี้ต้องให้เห็นความสวยงามของดอกบัวของสิ่งของ เห็นในเจ้าความไม่งามความอะไรเี่ยโอ้โหอยู่สามเดือนไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าจึงสอนวิธีใหม่นี่ก็คือให้เห็นว่าความฉลาดพูดนี่วัตตาเนี่ยคือสามารถสอนได้ไม่ใช่แค่ว่าตัวเองทําได้สอนแล้วแบบให้เกิดผลได้ด้วยนะอันนี้คือลักษณะที่เหมือนกบา่าได้รับคําปรึกษาคืออย่างไรก็ตามบุคคลนั้นเองอ่ะเขาก็ต้องปฏิบัติเองไง หรือตัวเรารับฟังคำของครูบาอาจารย์เราก็ต้องทำของเราเองใช่หมหละ่ะไม่ใช่ว่าครูบาอาจารย์เอาอะไรมาให้แต่ว่าที่ท่านให้เนี่ยคือคาสอนก็สืบต่อมาจากพระพุทธเจ้านั่นแหละบทนี้ถ้อยคำนี้ควรพูดอย่างนี้ปเปรียบเทียบอุปมาอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้โอ้โะ่ะฉันทําได้ในี่ตรงนี้ต้องระวังนะว่าพอเราทําไดจากครูบาอาจารย์องค์นี้ เราก็เลยจะคิดว่าโอ้ท่านให้อะไรเราหรือท่านแบบว่ามีคุ ณ, ณวิเศษข้อที่แบบมอบให้จริงจงมันเป็นคำสอนนี่แหละเป็นลักษณะความสามารถของท่านในความเป็นผู้ฉลาดพูดอันนี้ให้เข้าใจว่าคุณธรรมกรับตัวบุคคลเนี่ยเป็นคนละอย่างกันนะไอการกระทาที่เกิดขึ้นกับใจิตใจของเราคือเราทำเองจากแนวทางคำสอน ของครูบาอาจารย์ในความที่ท่านเป็นคนฉลาดพูดลักษณะการฉลาดพูดนี้คือเป็นการให้คําปรึกษาด้วยแต่ถ้าบุคคลใดก็ตามมีที่ปรึกษาดีต้องก้านาได้แน่นอนดูฝังและไอทิพังทั้งหลายแหลเนี่ยก็เพราะว่าที่ปรึกษาห่วยหรือไม่มีที่ปรึกษาดูอย่างวรรณกรรมสามก๊กเนี่ยนะดูโกงเบ่งใช่ไหมเป็นที่ปรึกษาให้กับเล่าปีที่ปรึกษาดี มีใช้ได้ทีนี้ถ้าบอกว่าที่ปรึกษาแย่ไม่เข้าใจกลยุทธ์ไม่เข้าใจความก็พังได้เหมือนกันองค์ก่อนนั้นหน่วยงานนั้นหรือบุคคล น, นั้นถัดมาในข้อที่หสมว่งางเตนใจคำว่าเป็นผู้อดทนต่อถ้อยคำแล้วก็แมใไม่โดวยแบบพฤติกรรมด้วยใช้คำว่าว่าจะนักขโมย ในที่นี่หมายถึงเวลาที่บอกสอนไปแล้วให้ข้อมูลไปแล้วให้คําแนะนําไปแล้วใช้ความสามารถเท่าที่มีในความเป็นผู้ฉลาดพูดแล้วระบุยบวินาเขาทำตามได้ไหมแม้จะทําทไม่ได้แต่ไม่ถูกทําไม่เป็นครูบาอาจารย์นั้นเนี่ยว่าจะนักขโมคืออดทนได้ไหมอดทนในการที่แบบสองอย่างก่อนนะแรกคือ ต้องจำที่จำชัยคอยบอกคอยสอนจากที่ไม่ต้องพูดมากอยู่คนเดียวสบายใจก็ต้องมาพูดมากมากขึ้นนี่กลายเป็นคนพูดมากไปแล้วนะพระยาคาพะเจ้าเนี่ยตระวังก็มาอยู่วัดบวรแล้วบางทีก็ทาหน้าที่ในการดูแลพระใหม่บ้างเนี่ยนะและพระใหม่เนี่ยก็คือภิกษุผู้บวชใหม่เนี่ยยังไม่รู้ความยังไม่เข้าใจอะไรต่างๆมากมาย สิกขาวิในาบางทีก็ทําผิดผิดถูกๆูเอาห่มจีวรก่อนเนี่ยแหละมันยังห่มไม่ค่อยได้ไงเพราะว่าไม่เคยใช่ไหมไอ้ที่บอกขั้นตอนทั้งหมดมีสิบขั้นตอนในการห่มจีวรบุรีก็ต้องบอกซ้ําตรงนี้ตรงจับอย่างนี้ตรงนี้ตรงจับอย่างนั้ตนต้อ ง, ง, ตงบอกอยู่เรื่อยอการกินการดื่มการเที่ยวการลิ้มต้องนั่งอย่างนี้ ต้องกินอย่างนี้มือเท้าต้องเก็บอย่างนี้นั่งท่านี้แล้ม่บุีบอกครั้งเดียวไม่เก็ตไงต้องบอกจําจี้ช่ำชัยโอ้ยเราก็จะกลายเป็นคนพูดมากจากที่ไม่ค่อยพูดมากก็ต้องพูดมากแล้วคราวนี้พูดมากก็คืออะไรขี้บ่นนั่นแหละพูดเรื่องเดิมหลายๆครั้งแต่บางเขาเรียกว่าขี้บน่นเราก็กลายเป็นคนขี้บน่นแล้วนี่อา้าวไม่ดีเลย อดทนหน้บอกสอนเขาอต่นี้ข้อที่หหรือข้อที่สองประการที่สองก็คือว่าและไอที่เขาทํานี่ยเขาทําไม่ได้เนะที่คุณหมอไปแล้วเนี่ยรอบเดียวเนี่ยเขาทําไม่ได้รอบที่สองต้องบอกอีกรอบที่สามรอบที่สี่ก็ยังทําไม่ได้อีกทีนี้ไม่บอกแล้วรอบที่ห้ารอบที่หกให้ทําเองผู้เองทําไม่ได้ใช่ไหมคุณอดทนได้ไหมนี่พระพุทธเจาจะมีคุณหมอข้อนี้นะ ท่านบอกไว้บอกว่าท่านราะว่าคนที่ไม่รู้แล้ไม่มียานอย่างรู้เนี่ยนะแต่ว่ามีแค่อาศัยปัญญาใกล้โครวนไม่มียานที่จะรู้ว่าระจิตของคนอื่นว่าเออพระบุรุษชาตินี่ยเป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธะจริงหเปล่าเนะแต่ว่าแค่มีปัญญาในการที่จะเห็นจะดูได้เนี่ยเราใคร้โครวนเนี่ยหนึ่งในหข้อที่ต้องดูก็คือบางทีท่านสอนเนี่ยที่สอนไปแล้ว แล้วเขาทําไม่ได้เมืองปัวพันติดอยู่ในอามิตรก็มีบางทีที่ท่านสอนแล้วพวกที่ทําได้หลีกออกจากอามิตรก็มีใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยก็หาได้ดูหมิน่นดูแคลนบุคคลที่ติดในอามิตรนั้นด้วยเหตุนั้นไม่เลยคือไม่ได้ไปตําหนิติเตียนด่าว่าดูหมิน่นดูแคลน แบบด่าไปที่บุคคลอ่ะไม่ใช่ส่วนในข้อนี้ก็หมายความว่าถ้ามีความอดทนไงมีความอดทนต่อความที่ยังติดใจในอา mith ของคนอื่นนั้นอยู่หมายถึงอะไรนะอกุศลไงคือเขายังทำกุศลให้เกิดขึ้นไม่ได้ใช่ไยังมีอกุศลอยู่เนี่ยแหมอกุศลอยู่เนี่ยเราไม่อยากจะครุกกรีอยู่ร่วมกันเลยแต่ว่าก็ต้องทนเอาทนเอาต่อถ้อยคาของ คนที่เขายังทําไม่ได้อย่างเช่นลูกศิษย์บางคลเนี่ยตั้งแต่วันคนจะเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยนะแล้วเรียนบางคนเนี่ยมันก็ออืืสอนไปมันก็โอ้ทาไม่ได้เลครับอาจารย์ทํำไมการบ้านเยอะอย่างนั้นอย่างนี้ขี้บนน่นนะแต่อาจารย์ก็ต้องเป็นไงนวดทนเอาลูกศิษย์มันยังทําไม่ได้ตรงนี้เป็นไงก็ต้องรู้จักพูดรู้จักพูดในการที่จะชี้แจงสถานการณ์ใช่ไหมให้มีหลักการเป็นกูรุ ว่าให้นักเรียนฝึกนะ้ำมันจะเป็นผลดีน ะ, ะเป็นผู้ฉลาดพูดว่าเออคุณจะพูดยังไงเหตุเขาทำตามในข้อที่ให้เกิดการทำแบบฝึกหัดหรือนำการบ้านไปปฏิบัติต่อรองกันอดทนเอานี่คือจึงเป็นข้อที่5้อดทนต่อความที่ตัวเองก็ต้องพูดมากขึ้นประการที่สองในยะที่สองคืออดทนต่อความที่สิทธิ์นั้นอาจจะไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ หรือแม้แต่หมอกับคนไข้ก็ตามตาบุฟังหมอกับคนไข้เนี่ยบางทีบอกให้คนไข้เลิกสุบบุหรี่บอกให้คนไข้หรือเจ้าออกกำลังกายลดน้ำหนักแต่คนไข้ไม่ทำอ่ะขี้เกียจบ้างมีอุปนิสัยเดิมๆมไม่อยากแก้ไขบ้างทำไงหมอถ้าหมอที่ดีก็ต้องออโตแนวนะเออมีคุณสมบัติของความเป็นครูบาอาจารย์เหมือนกัน ก็ชีวิตคนไข้ก็จะต้องเป็นยังไงล่ะ เ, เราก็บอกเขาได้สอนเขาได้แต่เขาจะทำตามได้หรือไม่เออมันก็อยู่ที่ตัวเขาใช่ไหมแล้วก็ไม่ใช่ว่าพอาเขาทำไม่ดีครั้งสองครั้งเราก็เลยไม่สอนมันละเอาก็ไม่ใช่แต่ไม่สอนมันแล้วก็คือแสดงว่าเราก็อดทนไม่ได้นั่นแหละเขามาขออยู่ด้วยเข้ามาใกล้แม้ถูกกับไล่นี้ไปบุคคลที่เป็นครูบาอาจารย์นั้น ก็ต้องมีเมตตาในกรณีและนอกจากนี้ยังสามารถที่จะรับฟังคำวิพากวิจารณนะคือคำถามบางอย่างมันก็ต่อเนื่องมาต่อเนื่องมาไม่จบไม่สิ้นเออแล้วก็แบบวิพากวิจารณ์คำตอบที่เราตอบไปต่อไปอแล้วครูบาอาจารย์นั้นอดทนได้ไหมถ้าอดทนต่อทั้งคำถามคำตอบคำวิพากวิจารณคำหาเรื่องเหล่านั้นได้ ชีแชงแถลงการได้เออนี่คือเป็นผู้อดทนต่อต้อยคำไม่แสดงความเบือ่อไม่แสดงความชุนเฉียวให้เกิดขึ้นมาเรายังมีอีนัยยะหนึ่งตําฟังในประการที่ห้านี่ก็คือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยให้อย่าไปเสพคบกับคนที่มีศีลสมาธิหรือปัญญาต่ำกว่าตนหมายถึงไง เ, เอาก็ถ้าครูบาอาจารย์ใช่ไหม พระเจ้าประสงค์เนี่ยมีศีลสมาธิปัญญาสูงอะ่ะเอาคุณได้มีศีลสมาธิปัญญาสูงแล้วจะมาคบหากะระวาดหรือคนที่มีศีลสมาธิปัญญาต่ํากว่าต้นเนี่ยโอ้ท่านไม่คบนะพระบรุตรเจาบอกนอกเสียจากว่าเออเห็นประโยชน์ในความที่ว่าจะให้เขามามีศีลสมาธิปัญญาได้ไม่ต้องคิดอะไรมาหรูกไหาทั่วเราอย่างนี้ไปตนตัวท่วานผู้ฟังที่เป็นคนดีพอสมควรเนี่ยนะ รักษาศีลได้บ้างยังฟังเทศไม่ว่าจะรายการนี้หรือรายการไหนจิตใจน้อมมาในทางกุศลเนี่ยแมมพอพวกที่ทำอกุศลพวกที่ชอบด่าว่าทำอาชญากรรมคนไม่ดีเนี่ยเราก็ไม่อยากจะไปยุ่งกับเขาใช่ไหมละ่ะนั่นคือหมายก็่าคนที่มีศีลสมาธิปัญญาต่ำกว่าเราอะเราก็ไม่อยากไปกุกรลีด้วยเหมือนกันนะรูมฟังอะไรมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าเลยอะโหดันแบบ ผลทุกแล้วอ่ะเป็นระดับสัมมาสัมพุธทธะก็แล้วทำไมจะต้องมาบอกสอนด้วยอ่ ะ, ะก็อยู่ช่อๆสบายก็ดีแล้วไงใช่ไหมละ่ะเออแต่ว่าก็มาบอกมาสอนนี่คือท่ก็ต้องอาศความอดทนเหมือนกันในความที่จะทนอยู่กับกิเลสของพวกสาวกพวกลูกศิษย์ทั้งหลายแรกแรกห้าองค์แรกหกสิบองค์แรกแปดสิบองค์แรกพันสองร้อรยห้าสิบ ร, รูปแรกนี่โอ้ดีหมดเลย จกระทั่งมาห้าปีสิบปีก็ยังดีอยู่แม้แต่พอเริ่มปีที่สิบเอ็ดขึ้นมานี่นะเริ่มละเริ่มละหมูงสงใหญ่ขึ้นโอ้มีกิเลส ต, ต่างๆนั่นนี่ข้อกระหานั่นนี่โอ้ต้องบัญญัติวินยัยต้องมาตัดสินความโอ้ยก็ต้องอดทนไงทุกฟังต้องอดทนแล้วก็จะเป็นลักษณะาการที่อดทนต่อกิเลสของลูกศิษย์นั่นเองเรว่าเขาทําไม่ดีเรายังจะ ทนอยู่ได้ไหมไม่ทําอากุศลธรรมไม่เกิดขึ้นนั่นเองนี่คือประกันที่หแต่มาประกันที่หพูดถ้อยคำํำลึกซึ้งได้หมายถึงไอที่เขาทําดีได้แล้วเนี่ยต่อยอดได้ในลักษณะที่ว่าเป็นฉลาดพูดในข้อเมื่อสักุลข้อที่4นั้นคือสกิดใจได้สอนได้ใช่ไหมสอนได้จากที่บอกมันทําไม่ได้ให้มันทําได้ขึ้นมาจากที่ไม่มีให้มีดีขึ้นมา ทีนี้จากที่ดีมีอยู่แล้วจะให้ดียิ่งขึ้นไปนี่ตรงนี้จะให้ลึกซึ้งล้ําลึกขึ้นไปในยะที่หนึ่งคือศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมศีลได้แล้วต่อไปสมาธิสมาธิได้แล้วต่อไปปัญญาหรือในยะที่สองก็คือว่ามีหลักฐานที่อ้างอิงในกัมพูดว่าที่พูดเนี้ยมีข้อมูลอย่างนี้อย่างนี้มาจากสูตรนี้คาถานี้ในยะนี้ มีหลักฐานนางอิงหรืออีนัยยะหนึ่งก็คือว่าในบรรทัดเดียวที่พูดอยู่เนี่ยโอ้ยมีหนึ่งนัยยะสองนัยยะสามนัยยะสี่นัยยะแจกแจ ง, แจงออกได้ลึกซึ้งทั้งตนเองทั้งผู้อื่นทั้งในการปัจจุบันในการต่อมาอย่างไงอย่างไงโอ้โหละเอียดนะเนี่ยในคำข้อเดียวนี้ท่านเบลเบย์บยเหมือนกับปลาตูมฟังมันอยู่ในน้ากุนๆใช่ละ่ะปลาอยู่ในน้ากุน ว่ายวุบขึ้นมานี่วุบเดียวเราเห็นมันพุบมากินอาหารอยู่บนผิวน้ำเนี่ยแล้วก็ว่ายกลับลงไปปุ๊บเนี่คนที่เขาฉลาดเนี่ยนะเขาจะบอกได้เลยทุกฝัง่งว่าอันนี้เป็นปลาตัวใหญ่หรือตัวเล็กเป็นพันธุ์อะไรอายุมันเท่าไหร่ความเป็นอยู่มันเป็นยังไงเออแล้วมันจะไปไหนรังมันเป็นยังไงอธิบายให้หมดอ่ะเห็นแป บ, บเดียวนี่ยนะโอลึกซึ้งนะเนี่ย นี่ไงเขาว่าคําพีรัญจักกระถังกตาสามารถทำห้อยคําที่มันดูทั่วไปให้ละเอียดลึกซึ้งขึ้นมาได้และนอกจากนี้ยังสามารถทําเรื่องราวที่มันมีความสลับซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายให้เรียนรู้เรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปได้และในประการที่7จ็ดตัง คือไม่ชักนำไปในทางไม่ดีไม่ชักนำไปในสิ่งที่เป็นอาฐรรมซึ่งอธรรมนี่มันมีหลายอย่างนะโอ้เรื่องนี้ใดเคยคุยกันไปตั้งสองสามตอนด้วยนะสิ่งที่เป็นไปได้กับสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ไม่ควรทำไม่ควรเป็นหรือควรทำควรเป็ น, นก็เอานัยะตรงนั้นนะ่ะต่าูฟังมาประกบกันได้เลย เชตนา5นะ้าประการที่ไม่มีใครจะพึงได้เออก็ไม่แนะนําไปในอาธานะเหล่านั้นอย่าไปเห็นสิ่งที่มันไม่เที่ยงว่าเที่ยงแต่แนะนําไปงั้นนะไม่ดีละอะไรที่จะบอกว่านี่ต้องอยู่กับเราไปตลอดกาลอันนั้นไม่ถูกละหรือแนะนําไปในเรื่องที่เป็นอกุศลอันนี้จะเห็นได้ชัดเจนกว่าเช่นแนะนำให้ปิดศีล แนะนำให้ยึดติดยึดถือแนะนําให้ถ้ากรณีของพระสงฆ์ก็คือให้มาเคารพตัวเองในกนรณีเกี่ยกประทุษร้ายสกุลด้วยก็คือแนะนําให้มามีศรัทธากับตัวเองมากกว่าที่จะให้มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นั่นก็คือไปในสิ่งที่เป็นอาถรรพณ์อยู่บางกันซึ่งนี้บางทีเราต้องดูถึงประโยชน์หรือโทษ ที่จะเกิดในภายภาคหน้าด้วยคือประโยชน์ในปัจจุบันอาจจะไม่อยู่แต่ว่าโทษในภายภาคหน้าถ้ามีด้วยเนี่ยนะเอออันนี้ก็ต้องระวังแสงว่ามันยังไม่เป็นฐานะที่ดีถูกต้องร้อยเเซซึ่งนี้มันก็อยู่ที่ระดับปัญญาของบุคคลที่จะเห็นสิ่งที่เป็นฐานะหรืออาฐานะหรือดีหรือไม่ดีนั่นด้วยคือการที่จะแยกย่ได้ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งดีหรือไม่ดีในระความละเอียด ลึกซึ้งลงไปเนี่ยก็ต้องใช้ปัญญาที่มันสูงขึ้นนั่นก็จะมาสอดคล้องกับความเป็นผู้ที่ฉลาดพูดความเป็นผู้ที่ลึกซึ้งความเป็นผู้ที่รู้จักพัฒนาตนเองนั่นเองซึ่งทั้งเจ็ประการนี้เป็นคุณสมบัติฝั่งเราเจาะจงกันลงมาถึงความที่เป็นครูบาอาจารย์เป็นพี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษา เป็นโค้ชที่จะบอกสอนเราให้มีการพัฒนาเจริญยิ่งขึ้นได้มีในยะอื่นๆ น, นะทําฟังเกี่ยวกับเรื่องของกัลยาณมิตรที่คิดว่าในโอกาสต่ตอไปก็จะมาพูดเพิ่มเติมก็แล้วกันไม่ว่าจะเรื่องการที่บอกความลับไม่ปิดความลับไม่ทอดทิ้งในายามเป็นอันตรา ย, ยมีในยะอื่นๆอยู่อีก ในช่วงท้ายของรายการนี้ก็อยากจะประชาสัมพันธ์กิจกรรมพบปะผู้ฟังประจำปีในงานกลุ่มทรัพย์แห่งใจที่เราจะจัดขึ้นในวันที่21มกราคม2องรเตั้งแต่เวลา9นาฬิกาที่หอประชุมกองทัพเรือเป็นกิจกรรมพบปะผู้ฟังประจำปีเพื่อเพิ่มพูนความหวังและปัญญาให้เป็นมงคลปีใหม่ โดยทำฟังที่ไปนั้นก็จะทำภารกิจนั่นคือการฟังธรรมแล้วรับของขวัญเสียงดวงธรรมกำจัดความกังวลใจแล้วค้นหาสมบัติในจิตเพื่อทำปีนี้ให้ดีที่สุดด้วยหลักธรรมประการจนสามารถแจ้งจำนวนผู้ที่จะไปรับฟังได้ไปพบกันได้โดยให้ไปแจ้งจำนวนไว้ก่อนที่เว็บไซต์ ปัญญา o r g จะมีช่องมีที่ให้ท่านบุฟังได้กรอกได้ระบุจานวนคนที่ไปือวต่ า, างทีมงานจะได้เตรียมสถานที่เตรียมสิ่งของอะไรที่จะมอบให้ในโอกาสต่อไปในช่วงของต้ร่มปฏิบัตินั้นจะมาพบกับตบุฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาตีหถึงหกโมงเชา้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย หรือในกิจกรายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆริยการนี้จะโดยมูนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีข้าพเจ้าพระมหาไพาบูณ์อาพิปุโนโนเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ดุวยเรื่อน